ตอนที่สองลมเริ่มพัดชูหลิงรู้ดีว่าตนเองมีหลักฐานอ่อนแอที่สุดจึงถูกชุงมองว่าเป็นลูกพลับนิ่มที่คิดจะบีบก็บีบได้ตามใจชอบตำแหน่งห้องเต้ที่ว่างเว้นมานานและยังไม่ถูกกาหนดทําให้หลายคนเริ่มเกิดความกระวนกระวายใจอย่างเลี่ยงไม่ได้การก่อเรื่องวุ่นวายบ้างอาจไม่ใช่เรื่องแย่เสมอไปบางครั้งเมื่อตัดสินใจจะอย่างเชิงก็ต้องทําอะไรที่มันเกินขอบเขตไปบ้างมิเช่นนั้นจะทําให้คนที่เฝ้ามองอยู่สังเกตเห็นได้อย่างไรสเสด็จพี่ท่านช่างมีบารมีน่าเกรงขามเสียจริง ในขณะที่ชูหลิงกำลังครุ่นคิดว่าจะรับมืออย่างไรเสียงหนึ่งที่แฝงความม่ก็ดังขึ้นทุกคนหันไปมองพบว่าผู้ที่พูดคือชูเปียวไว้วังพระโอรสลำดับที่สของท้ายจงเหมือนฮ่องเต้ที่เกิดจากพระสนมซึ่งกำลังรอการไปรับตำแหน่งที่หัวเมืองอยู่ในเมืองหลวงชูเปียวมีนิสัยสมชื่อเปียวกล้าหาญเขาเป็นคนใจกว้างชอบรยรำทวนกวัดแกว่งดาบมีชื่อเสียงโด่งดังไม่น้อยในอวีตู เมื่อครั้งที่จงฮ่องเต้ยังมีพระชนชีพและครองราชอยู่นั้นชูเปียวเคยนําทัพออกนอกด่านทำศึกกับแคว้นมู่หลงของพวกป่าเถื่อนทางเหนือและได้รับชัยชนะกลับมาจนได้รับการแต่งตั้งเป็นชินหวังปีนั้นชูเปียวมีอายุเพียง16ปีเท่านั้นโผล่ออกมาอีกคนแล้วชูหลิงมองดูเหตุการณ์ตรงหน้าอย่างสงบพี่สีของเขาคนนี้ไม่ได้มีดีแค่เรื่องรบเท่านั้นที่สําคัญคือตระกูลฝ่ายมารดาก็ไม่ธรรมดาตระกูลต่งซึ่งเป็นหนึ่งในเกเสาหลักแห่งรัฐจิ๋วจู้กัว ต่งหงผู้ดํารงตาแหน่งแม่ทัพใหญ่ปราบทักษิณในปัจจุบันก็คือท่านตาของเขาต่งหงติดตามแท่นจูปธรมกสัตต์ออกรบเหนือใต้จนสร้างชื่อเสียงเกรียงไกลและจนถึงทุกวันนี้ต่งหงก็ยังคงประจําการอยู่ที่หนานเจียงเพื่อสยบพวกเศษเดนที่เหลือของหนานเจ้าให้แก่อาณาจักรรวีแม้แต่คนของฝ่ายในเสด็จที่ก็ยังกล้าสำแดงอํานาจใส่ต่อหน้าผู้คนชูเปียจ้องมองชูหงพลางยิ้มอย่างมีเลนยัยอย่างไรหรือเสด็จที่มีความคิดอ่านประการใด เปิ่นหวังจะมีความคิดประการใดไ ด, ได้ชูหงแค่นเสียงเย็นชาขมวดคิ้วกล่าวว่าลงศพหลวงของต้าสิงหองเต้ยังตั้งอยู่พวกเราต่างต้องรักษาความกตัญญูตามราชประเพณีเจ้าเจ็ดล่วงเกินกฎเกณฑ์ของราชสกุลทั้งยังกล้าซักไซคนของฝ่ายในต่อหน้าทานกับนันเปิ่นหวังยืนออกมาตําหนิหรือว่าข้าทําผิดไปแล้วพูดจบชูหงก็ชี้ไปที่ชูหลิงสเสด็จพี่พูดได้ดี ไม่รอให้ชูเปียวได้พูดอะไรอีกคนหนึ่งก็ลุกขึ้นยืนและเดินตรงมาทางชูหงแต่ปัญหาก็คือเจ้าเจ็เจดเขาล่วงเกินกฎเกณฑ์ราชสกุลข้อใดกันแน่ชูเจวินจิ้งหวังเสือยิ้มยากเมื่อได้ยินเสียงที่คุ้นเคยนี้ชูหลิงก็ขมวดคิ้วมุ่นในความทรงจำของเจ้าของร่างเดิมชูจ่จวินผู้นี้คือพี่ชายที่เขาไม่ชอบหน้าที่สุด พระมารดาของฉู่จวินคือพระสนมตระกูลชีซึ่งเป็นบุตรสาวสายตรงของตระกูลชีหนึ่งในตระกูลขุนนางเก่าแก่ แ, กแห่งกวนตงส่วนท่านตาของเขาคือชีเซิงปัจจุบันดํารงตาแหน่งผิงจางเจิ้งซื่อแห่งสํานักจงซูมีลูกศิษยลูกหาและขุนนางในสังกัดอยู่เต็มราชสํานักแต่ละคนรอไม่ไหวกันแล้วสินะเมื่อคิดได้ดังนี้ชูหลิงก็ถอนหายใจในใจก็จริงนั่นแหละนั่นคือบัลลังก์ห้องเต้เป็นใครบ้างจะไม่รีบร้อนเพียงแต่ในวังยังมีคนผู้นั้น ยูจึงถูกกำหนดไว้แล้วว่าผู้ที่จะสืบทอดบอลลังไม่ได้มีเพียงสายตรงของเทจงเท่านั้นในเมื่อที่เหลือต่างก็เกิดจากพระสนมเหมือนกันแต่ว่าพวกเจ้าทุกคนกลับเอาเปินเตียนเซี้ยมาเป็นหมากในเกมแบบนี้ไม่ดีเลยไม่ดีอย่างยิ่งมือของชูหลิงกำแน่นเขาอยากจะเป็นเพียงคนไร้ตัวตนไม่อยากเข้าไปพัวพันกับการชิงบอลลังแต่กลับมีคนคิดจะใช้ประโยชน์จากเขาคํานวณแผนร้ายใส่เขาหากพลาดพลั้งขึ้นมาอาจถึงแก่ความตายได้ ชคชะตาที่ถูกผู้อื่นบงการตามใจชอบเช่นนี้คือสิ่งที่ชูหลิงเกลียดที่สุดเจ้าพูดมาไม่มีใครสนใจความรู้สึกของชูหลิงเมื่อถูกชูจะวิงย้อนถามเช่นนั้นชูหงก็ขมวดคิ้วพลางตวัสใส่ชูหลิงเรื่องวุ่นวายทั้งหมดนี้ล้วนเกิดจากเจ้าสเสด็จที่ขอบางอาจถามว่าท่านใช้ฐานะใดมาซักไ้เปินเตี้ยนเซียชูหลิงวางตัวไม่ต่ำต้อยไม่สูงส่งในหน้าสบตาที่โกรธเกรี้ยวของชูหงแล้วกล่าวอย่างราบเรียบหากเป็นฐานะพี่ชาย ตอนนี้แท่นยังไม่มีคุณสมบัติพอวันนี้เป็นการรักษาความกตันยู ต, ต่อต้าสิงห้องเต้เรื่องราวทั้งปวงหน้าจวนสิบ อ, องย้อมมีผู้รับผิดชอบที่ถูกส่งมาจากฝ่ายในและราชสำนักสเสด็จที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ใดถึงได้สอดมือเข้ามาเกินอำนาจเช่นนี้ไม่เรียกว่าล่วงเกินกฎระเบียบอกหรือพูดได้ดีหลายคนแอบร้องชมในใจสายตาที่มองชูหลิงเริ่มเปลี่ยนไปแต่หลังจากนั้นความคิดของบางคนก็เริ่มเปลี่ยนตามไปด้วย เจ้าหาที่ตายชูหงถูกยั่วโมโหจินถึงขีดสุดก่อนหน้านี้ถูกฉูเปียวและฉูจวินซักไซสเขายังพอทนได้เพราะบัลลังยังไม่ถูกกำหนดการประทะ ก, กับพวกเขาย่อมนำมาซึ่งความยุ่งยากโดยไม่จำเป็นรอให้ทุกอย่างคลี่คลายเสียก่อนถึงตอนนั้นคอยเช็คบิงก็ยังไม่สายแต่ชูหลิงมีสิทธ์อะไรลูกที่เกิดจากหญิงต่าต้อยเขามีความกล้ามาจากไหนถึงได้บังอาจย้อนถามเขาเช่นนี้สู้หวังเตียนเซีย ชูหงที่โกรธจะลืมตัวยกมือขึ้นหมายจะสั่งสอนชูหลิงแต่เสียงหนึ่งที่ดังมาจากระยะไกลกลับทําให้เขาต้องหยุดชะงักชูหลิงเมินเฉยต่อชูหงที่อยู่ตรงหน้าเขามองเห็นขบวนแถวที่ยิ่งใหญ่กําลังมุ่งหน้ามาจากทิศทางของพระราชวังเมื่อเห็นขบวนที่มาถึงโดยมีผู้นําเป็นคนของฝ่ายในชูหลิงก็รู้ทันทีว่าบรรลังที่ยังว่างเว้นอยู่นั้นหลังจากผ่านการต่อสู้ชิงไหวชิงพลิกของแต่ละฝ่ายมาอย่างหนักในที่สุดก็น่าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนแล้ว เมื่อคิดได้ดังนี้ชูหลิงก็ไม่ได้ใช้ตาแลชูหงแม้แต่น้อยเขาเดินกลับไปยังตำแหน่งของตนเองสบัดชายเสื้อแล้วคุกเข่าลงบนเบาะผ้าไหมชูเปียวและชูเจวินสบตากันครู่หนึ่งก่อนจะหมุนตัวกลับไปเช่นกันทิ้งให้ชูหงยืนโดดเดี่ยวอยู่เพียงลำพังสเสด็จที่เป็นพระค่าแท้ๆขณะที่ชูหลิงคุกเข่าลงชูหุยที่อยู่ข้างๆก็กระซิบเสียงเบาถ้าไม่ใช่พระฆ่าไม่เกี่ยวกับเจ้าชูหลิงตอบสั้นๆได้ใจความเจิ้งจง นี่หรือคือหน้าที่ที่เจ้าทำได้ดีนักภายใต้สถานการณ์เช่นนี้หลี่จงที่ถูกห้อมล้อมด้วยผู้คนเดินเข้ามาโดยไม่มองชูโ h o ที่ยังยืนอยู่เขาขามวดคิ้วตวัดใสา่ขันทีที่หาเรื่องชูหลิงก่อนหน้านี้ในช่วงเวลาไว้ทุกให้แก่ตาสิงห้องเต๋หากเกิดเหตุวุ่นวายขึ้นที่จวนสิบ อ, องไม่ว่าจะแพร่เข้าไปในวังหรือกระจายออกไปสู่รัศดร น, นั่นย่อมเป็นเรื่องอื้อฉาวที่น่าอับอายยิ่งนักหลี่เซ้าเจี้ยนผู้น้อยก็ไม่อยากให้เป็นเช่นนี้เจิ้งจงเริ่มลนหลานรีบยกมือคาระวะหลี่จง เป็นพระองค์ชัยเจ็ดล่วงเกินกฎเกณฑ์ราชาสกุลขณะรักษาความกระตันยูผู้น้อยก็ไม่นึกว่าจนถึงป่านนี้ยังจะแก้ตัวอีกหลี่จงแค่นเสียงเย็นชาตัดบทเจิ้งจงทันทีคนทั้งแผ่นดินต่างร่วมมืทุกให้แก่ต้าสิงห้องเต้เจ้าในฐานะขุนนางฝ่ายในของสำนักเน่ซื่อกลับทำงานง่ายง่ายเช่นนี้พังไม่เป็นท่าเอาตัวมันไปพยะค่ะท่ามกลางความตกตะลึงของเจิง้งจงคนหลายคนพุ่งออกมาจากด้านหลังหลี่จงและตรงเข้าหาเขาอย่างรวดเร็ว บรรยากาศเปลี่ยนไปในทันทีหลีเ่เซาเจียนทันเจิ้งจงตกใจสุดขีดหมายจะพูดอะไรบางอย่างแต่คนที่พุ่งเข้ามากลับไม่ให้โอกาสเขาแม้แต่น้อยคนเหล่านั้นประสานงานกันอย่างคล่องแคล่วในขณะที่ควบคุมตัวเจิ้งจงไว้ได้ก็อาศัยจังหวะถอดขากันไกลของเจิ้งจงออกทันทีอืออสู้หวังเตี้ยเสียพระเสารีจากสามตำหนักท่านคิดจะยืนรับเช่นนั้นหรือ หลีจงไม่มองเจิ้งจงที่กำลังดิ้นรนอีกต่อไปเขาหันไปมองชูหงที่สีหน้าเริ่มเปลี่ยนไปผู้น้อยมีบางอาจเมื่อชูหงได้ยินว่ามีพระเสารีจากสามตำหนักเขาก็รู้ทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากตอบหลี่จงแล้วเขาก็ปลายตาคมกริบมองชูหลิงแวบหนึ่งก่อนจะถอยกลับไปยังตำแหน่งของตนเองไถหงไทโฮชื่อเส้นขังโซหวงไทโฮเสิ่งเลี้ยชื่อโซและหองหฮาวทรงมีพระเสารีพิเศษเสียงของหลี่จงดังขึ้นทั่วบริเวณและนั่นเองที่ทําให้หลายคนเริ่มตื่นเต้นจนตัวสัน่น ดูถ้าการต่อสู้ชิงอำนาจครั้งนี้จะดูเดือดไม่น้อยชูหลิงสัมผัสได้ถึงความไม่ธรรมดาอาณาจักรอวีปกครองแผ่นดินด้วยความกตัญญูและให้ความสำคัญกับกฎระเบียบราชสกุลเป็นอย่างยิ่งพระเสานาที่จะประกาศในตอนนี้กลับเป็นการลงนามร่วมกันของสามตำาหนักหลังซึ่งไม่เพียงแต่จะต่างลำดับอาวุโสแต่ยังต่างระดับขั้นกันอีกด้วย ชูหลิงเกิดความอยากรู้อยากอยากเห็นหลังจากต้าสิงห้องเต้สวรรค์ัทหวังซิ่วฮองเห่าได้ทําสิ่งใดลงไปบ้างและสวมบทบาทใดในเรื่องนี้ถึงขนาดที่มีพระเสารนีจากสามตำหนักออกมาเช่นนี้นี่มันไม่ธรรมดาเกินไปแล้วข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายรับพระเสาร์นีเสียงขานรับดังสนัน่นในสถานการณ์พิเศษเช่นนี้เมื่อพระเสานีจากสามตำหนักปรากฏขึ้นหลายคนต่างคาดเดาว่าตำแหน่งห้องเต้ที่ว่างเว้นอยู่นั้นมีความเป็นไปได้สูงที่จะได้ข้อสรุปในวันนี้ ทุกคนที่คุกเข่าหันหน้าไปทางพระราชวังหวีต่างพยายามสะกดกลั้นความตื่นเต้นภายในใจเอาไว้โดยเฉพาะกลุ่มของชูหงชู่เปียวและชูเจวินสำหรับเรื่องการครองอำนาจเด็ดขาดนั้นในอดีตเป็นสิ่งที่พวกเขาไม่กล้าแม้แต่จะคิดแต่ตอนนี้โอกาสนั้นกลับมาอยู่ตรงหน้าแล้วต่อให้ในหมู่พวกเขาจะมีคนที่มีเล่เหลี่ยมลึกซึ้งหรือนิสัยหนักแน่นเพียงใดในยามนี้ก็ยากจะเลี่ยงผลกระทบทางใจได้นี่คือบัลลังก์ห้องเต้เชียวนะ